พันษาและรับกระถินแล้ววันรุ่งขึ้นพระเจริญก็พร้อมที่จะลาสิกขาท่านนำชุดขรารวาดมาไว้ที่กุฏิตั้งแต่วันที่อุปสมบทกางเกงสีเปลือกมังคุดกับเสื้อฮาวายลายพร้อยที่ซื้อมาจากห้างในติงเกลพาหุรัตถูกพับไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อรอการใช้รอยเคี้ยวเจโทนที่ฝากไว้ตรงขากางเกงท่านจัดการชุนด้วยฝีมือประณีด จนเกือบเป็นเนื้อเดียวกันหากไม่สังเกตจะไม่เห็นรอยชุนซึ่งมีอยู่ถึงสี่แห่งลักษณะนิสัยการทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นนี้ท่านได้รับถ่ายทอดมาจากโยมยายทันทีที่ฉันพัฒหารเช้าเสร็จพระหนุ่มก็เดินไปยังกุฏิสมภารครั้นถึงจึงกราบเบญจาง้าประดิษฐ์สามครั้ง และบอกความประสงค์หลวงพ่อครับผมมากราบเรียนว่าจะสึกวันนี้หลวงพ่อกรุณาทําพิธีสึกให้ผมด้วยอะไรกันเพิ่งรับกระถินไปเมื่อวานวันนี้จะสึกเสร็จแล้วเหรอหลวงพ่อชอ่อคานอยู่ในทีผมคิดจะสึกตั้งแต่วันออกพรรษาแต่หลวงพ่อให้รอรับกรถินก่อนผมก็ปฏิบัติตาม บัดนี้งานกระถินก็ผ่านพ้นไปแล้วผมจึงขอลาสิกขาครับพระนุ่มกราบเรียนตามตรงสำหรับท่านชีวิตใต้ร่มกาสวพัฒช่าง น, น่าเบื่อหน่ายและสุดแสนอึดอัดระอาจึงมิปรารถนาจะพักพิงต่อไปอีกแม้ราตรีเดียวผาเหลืองมันร้อนถึงขนาดนันเชียวึสม่านตำหนิไ ก, กล มันก็ไม่เชิงหรอกครับเพียงแต่ผมไม่อยากเป็นพระที่ต้องมาบวชก็เพราะขัดโยมแม่ไม่ได้ท่านเผยความในใจที่อัดอั้นมาช้านานถ้าเจนนันก่อตามใจจะศึกหาลาเพทฉันก็ไม่ว่าในเมื่อเธอไม่มีศรัทธาพื้นอยู่ต่อไปก็ไรประโยชน์ ซึกออกไปทำมาหากินก็ดีแล้วคนที่เขามีบุญจริงๆเท่านั้นจึงจะอยู่ในผาเหลืองได้คำพูดของสมภารทำให้พระหนุ่มหน้าสลดลงกระนั้นก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจอยู่ครองผ้ากาสวะต่อไปอีกหลวงพ่อช่อเห็นว่าไม่อาจชักชวนให้ผู้เป็นสิทธ์กลับใจได้จึงพูดขึ้นว่าเอาเถอะ ฉันจะทำน้ำมนต์ศึกเตรียมไว้ให้เธอกลับไปเอาเสื้อผ้ามาก่อนแล้วกันเรียบรียหน่อยนะเพราะฉันมีกิจนิมนต์ต้องออกไปฉันเพนที่วัดบางสมสีพระหนุ่งจึงเดินกลับกุฏิด้วยหัวใจเบิกบานรู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะได้พ้นจากภิกขุภาวะกลับไปใช้ชีวิตแบบคารวะที่ท่านพึงปรารถนา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 แล้วเลยเอนกายลงนอนอยู่ข้างกระเป๋าเสื้อผ้านั่นเองกำลังเคลิมเคลิมก็มีเสียงกังวานดังขึ้นที่ข้างหูนโมยังไม่ได้จะศึกเสร็จแล้วน่าเสียดายท่านคันในใจว่าทําไมจะไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะรับกระถินได้หรือเสียงนั้นโต้กลับว่าได้แต่ปากนะสิพุทธคุณธรรมคุณ สังคคุณกดท้องได้แต่ปากไม่ได้เข้าไปถึงจิตถึงใจเราให้เข้าถึงจิตใจก่อนค่อยศึกไม่ดีเรือยังไม่ทันคิดหาคำตอบก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาจากข้างล่างว่าหลวงพี่เร็วเร็วหน่อยหลวงพ่อช่อให้ผมมาตามประเดี๋ยวท่านจะไปชั้นเพนไม่ทันเพราะต้องเดินไปความเกรงใจสมผานทำให้ท่านฝืนลืมตาขึ้นหากลุกไม่ไหว ร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกทับไว้ด้วยภูเขาทั้งลูกจึงได้แต่นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นครั้นจะตะโกนตอบลงไปก็อ้าปากไม่ได้เสร็จแล้วเป็นอะไรไปแล้วหนอสัมภเนินทรงกรดตะโกนเรียกอีกครั้งเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบจึงถือวิสาสะขึ้นไปข้างบนเห็นพระหนุ่มนอนเหยียดยาวอยู่กลางห้องก็ตกใจตรงเข้าไปจับแขนท่านเขย่าแรง ลุงพี่เป็นอะไรไปครับสัมผัสของสัมมเนนทำให้ความรู้สึกเหมือนถูกภูเขาทับหายไปท่านยันกายลุกขึ้นนั่งพูดกับสัมมเนนด้วยเสียงแหบเครือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆลุงพี่กองง่วงเหงาเหานอนเลยหลับอยู่ตรงนี้เองลุงพี่ได้ยินเสียงเรียกของผมหรือเปล่าครับได้ยินนะแต่มันลุกไม่ขึ้นไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลย มินำซ้ำยังมีเสียงปรารถนากระซิบที่ข้างหูสงสัยหลวงพี่คงจะฉันมากไปเลยทําให้ท่าไม่ปกติสมเณรทรงกรดพูดตามที่ใจคิดพระเจริญออกกรดกรธที่ผู้อ่อนวัยกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดที่คิดจะเล่าต่อจึงไม่กล้ารีบไปหาสมภารเร็วๆเถอะประเดี๋ยวท่านจะไปไม่ทันเพนสมนเณรย้ําถึงเหตุที่ต้องมาตาม ถ้าเช่นนั้นลุงพี่จะไปเดี๋ยวนี้ขอบใจเนนมากนะที่มาบอกพูดจบก็เดินลงกุฏิสมเณรวัยสิบปจึงถามขึ้นว่าแล้วไม่เอาจุดกระวาดไปหรือทำไมถึงไปมือเปล่าอย่างนั้นลุงพี่จะยังไม่สึกวันนี้เริกไม่ดีซะแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยสึกพระนุ่มเดินอย่างรีบรุดไปยังกุฏิสมภารลุงพ่อชอบทาน้ำมนต์สึกไว้เสร็จสั์ ฉันเห็นพระหนุ่มเดินมือเปล่าเข้ามาเช่นนั้นจึงถามอ้าวแล้วชุดคารวาสละ่ะผมยังไม่สึกครับพรุ่งนี้ค่อยสึกท่านตอบพระอันดับสี่รูปที่มานั่งรออยู่ต่างมองมาที่พระหนุ่มเป็นตาเดียวกันหลวงพ่อช่อรู้สึกหัวเสียจึงตอบว่าต่อขานอะไรกันพูดกลับไปกลับมา เดี๋ยวสึกหม่สึกทำให่คนอื่นเขาเสียเวลาฉันไม่สนใจเธอแล้วอยากสึกก็ไปสึกเอาเองว่าแล้วก็ยกบาดน้ำมนต์ตรงหน้าสาดโครมลงไปข้างล่างคว้าย่ามกับตะลปัดแล้วเดินลงกุฏิไปพระเจริญจึงพูดกับพระอันดับว่าหลวงพี่ที่เคารพผมขอประทานโทษที่ทําให้พวกท่านต้องมาเสียเวลาเพราะผม รูปที่พรรษาแก่กว่าเพื่อนจึงปลอบว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอยังไม่อยากศึกก็อย่าไปฟื้นใจเอาละพวกเราแยกย้ายกันกลับกุฏิได้แล้วประโยคหลังท่านพูดกับพระภิกษุสามรูปที่มานั่งเรียงตามลำดับพรรษาเพื่อทำพิธีศึกให้พระเจริญเมื่อพระอันดับทั้งสี่รูปพากันกลับไปยังกุฏิของตนแล้ว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 สารวณอยู่กับการเตรียมอาหารไว้ต้อนรับทิศศึกใหม่พระหลานชายส่งขามาว่าศึกตอนเช้าแล้วจะกลับมากินข้าวกลางวันด้วยยายเตรียมทำอาหารที่เข้าโปรดมีทั้งแกงส้มต้มยำและน้ำพริกโดยมีนางสาวจำแรงเป็นลูกมือครั้นเห็นหลานชายเดินขึ้นเรือนมาในชุดครองผ้ากาสวะก็แปลกใจร้องถามขึ้นว่าอ้าวไอ้หนูเ อ, อ้ย ท่านทำไมยังไม่สึกอีกก็ไหนว่าจะลาสิกขาวันนี้ไงละ่ะจำแรงเองรีไปเอาเสือมาปูให้ท่านนางเร็วๆเก้านางสาวจำแรงละมือจากการปอกมะละกอเดินไปหยิบเสือมาปูให้พระน้องชายพลางนิมนต์ให้นั่งพระหนุ่มนั่งลงแล้วทั้งยายและหลานพากันกราบท่านสามครั้ง กราบเสร็จคนเป็นหลานลุกออกไปหาน้ำดื่มมาถวายก่อนไหนทันว่าจะลาสิกขาแต่เช้ายายถามอีกนางสาวจำแรงประเค้นน้ำแล้วจึงเลี่ยงออกไปปอกมะละกอที่ทำค้างไว้เรื่องมันแปลกมากแต่ยมยายท่านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นยายฟังคนอายุ87ดฟังอย่างสงบกระทั่งพระหลานชายเล่าจบ จึงพูดขึ้นว่าคนโบราณท่านสอนไว้ว่าเรือศึกนี้สำคัญมากถ้าศึกตอนเริ่ใหม่ดีบางคนก่อตายบางคนติดคุกติดตรรางหรือใหม่ก็กลายเป็นคนบาบอกขอแตกไปเลยก็ไหนยมยายเคยสอนอัตมาว่า สุนักขัดตังสุมังคลังทำดีเมื่อใดเมื่อนั้นชื่อว่าเลิกดีไม่ใช่หรือพระเจริญแยงไม่ใช่โยมสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนตังหาแต่คนโบราณาก็เกาะไม่เหตุผลของเขาโยมไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดหรอกนะ เพราะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมท้าทายต่อการพิสูจน์ทุกเมือ่อถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าคนโบราณสอนผิดพระหลานชายแซงยั่วสามเดือนมาแล้วที่ท่านไม่ได้ต่อ้อต่อเทียงกับผู้เป็นยายก็หม่เชิงโยมบอกแล้วยังไงละว่าคนโบราณ เขาก็มีเหตุผลของเขาจึงโยมว่าหากรองดูให้ดีๆแล้วก็ไม่ได้ขัดกับของพระพุทธเจา้าคนที่ศึกออกไปแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตเพราะเขาทำไม่ดีเมื่อทำไม่ดีจึงได้ชื่อว่าเริกไม่ดีเช่นบางคน คิดว่าศึกออกไปเนี่ยจะไปปล่นเขาไปเป็นชู้กับเมียเขาหรือไปกินเหล้าเมายาการคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมเรียกว่ามโนกรรมและกรรมก็คือการกระทาซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจ ก็จัดเป็นกรรมทั้งนั้นโยมพูดอย่างนี้ท่านเข้าใจใช่ไหมคนวัยเกือบเก้าสิบถามพระหลานชายก็พอจะเข้าใจแต่เสียงประหลาดที่ได้ยินนั้นมาจากไหนล่ะโยมยายท่านถามอีกอันนี้โยมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถึงจะไม่รู้โยมก็อยากให้ท่านทําตาม คืออย่าพึงสึกไว้ให้ไดน้นโมและพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแล้ว่อยสึกไม่ใช่ได้แต่ปากเหมือนที่เสียงประหลาดว่าแล้วเรื่องย้ายบ้านไปอยู่ตลาดปากบางละ่ะโยมยายพระใหม่ยังห่วงเรื่องทางโลกเรื่องนั้นท่านอย่าห่วงเลย โยมพ่อของท่านคงจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยลูก เ, ยเขยก็มีตั้งหลายคนคงมาช่วยกันขนย้ายข่าวของโดยที่ไม่ต้องรบกวนท่านนิมนท์ท่านอยู่กรองผาเหลืองต่อไปจนกว่าเสียงประหลาดจะอนุญาตให้สึกเชื่อโยมเธอ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 จึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็อยู่ต่ออีกสักเจ็ดวันแล้วจึงคอยสึกและโยมก็ขอให้ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยหากเป็นไปได้ก็เข้ากรรมาฐานซะเลยถามจริงๆเถอะนับแต่บวชมาเนี่ย ท่านเคยเจริญกรรมฐานบางหรือยอย่างคนอายุ8ปสิเจ็ดอยากรู้กรรมฐานอะไรหรือยมยายพระหนุ่มไม่เข้าใจเอาก็ที่ท่านรับจากพระอุปชาในวันบวชนั่นไงจำไม่ได้แล้วหรือที่เจ้าคุณพรมวัดแจงท่านให้กรรมฐานเกสา โลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขะาโลมาเกศานะท่านเอาไปปฏิบัติ บ, ตบางหรือเปล่าทำไมต้องปฏิบัติละโยมยายรับแล้วก็แล้วไม่เห็นเจ้าคุณท่านบอกเลยว่าต้องปฏิบัติพระหนุ่มพูดตรงไปตรงมา อย่างนี้นี่เองเล่าจึงได้มีเสียงประหลาดมาบอกว่าท่านยังไม่ได้น้โมเพราะบวชแล้วไม่ปฏิบัตินี่เองยายรู้สึกอ่อนใจเมื่อรู้ว่าหนึ่งพรรษาที่หลานบวชนั้นไม่ได้อะไรเลยแม้น้โมก็ยังไม่ได้น่าเสียดายผ้าเหลืองนะักพระเจริญเห็นท่าทางผิดหวังของยมยาย ก็ให้นึกสงสารจึงพูดปลอบใจว่าตกลงว่าอาตมาจะเชื่อโยมยายกลับไปนี่จะเรียนกรรมฐานกับพระอุปชาเมื่อครบเจ็ดวันแล้วค่อยศึกถึงอย่างไรท่านก็ไม่ปรารถนาจะดำรงอยู่ในสมณะเพศให้นานกว่านี้ดีโยมขออนุโมทนายายยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะ แล้วจึงบอกพระหลานชายว่าโยมขอตัวไปเตรียมพัฒหารเพลงถวายทันก่อนนะประเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเห็นโยมพ่อกับโยมแม่ทันว่าจะมากินข้าวกลางวันที่นี่ป่านนี้คงออกเดินทางแล้วพูดยังไม่ทันขาดธรรม ทิดพองกับแม่จวนก็ขึ้นบันไดเรือนมาตามด้วยที่สอนซึ่งขับเกวียนมาส่งเห็นพระลูกชายนั่งอยู่บนเรือนทิศพองจึงทักว่าอ้าวท่านยังไม่สกอีกหรือก่อนไหนวาดจะลาสิกขาแต่เช้าคนทั้งสามนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกราบพระหนุ่มสามครั้งพระเจริญเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้โยมบิดาโยมมารดาและทิศสอนฟัง ท่านเล่าจบทิศพองจึงพูดขึ้นว่าสแสดงว่าท่านบวชไม่ครบไรศิขาไม่ครบยังไงล่ะโยมพ่อพระเจริญไม่เข้าใจก็ไม่ครบศีลสมาธิปัญญาณสิทันโยมหมายถึงว่าคนที่บวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมไม่เจริญกรรมฐานนั้นเรียกว่าบวชไม่ครบไรศิขาคนพวกนี้ เมื่อศึกออกมาถึงได้ไปกอ่อกรรมทำชั่วบางก็ขี่เหล่าเมายาบางไปช่อราด บ, บังหลวงบางคนบวชเรียนมานานได้ถึงประโยค8ปดประโยค9าพอศึกออกมากลับประพฤติชั่วช้า ย, ยิ่งกว่าคนไม่เคยบวชเสอีกเหตุเพราะอะไรเพราะบวชไม่ครบไรศิกานั่นเองทิพย์พองอธิบายยืดยาวพระเจริญรู้สึกร้อนตัวรีบแก้ว่า แต่อาตมาไม่เคยคิดจะทำชั่วช้าสามานอย่างที่โยมพ่อว่าอาตมาจะมาทามาหากินในทางสุจริตยึดอาชีพเล่นดนตรีและสอนไปด้วยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมยายและโยมพ่อโยมแม่ให้ได้รับความสุขตามอัตภาพฟังพระลูกชายพูดไม่จวนปลื้มปิติจนน้ำตาไหลยกมือประนมแล้วพูดว่าโถ ขอคุณเชิงพูดดีคิดดีเหลือเกินไม่ลูกดีดีอย่างท่านย่อมคงตายตาหลับนางสาวจำแรงยกสำรับมาเทียบทิศพองจึงช่วยประเค้นพระลูกชายพระหนุ่มคิดว่าหลังจากท่านชันเสร็จและคนอื่นๆรับประทานกันแล้วคงจะต้องปรึกษาหารือกัน เรื่องที่จะอพยพโยกย้ายไปอยู่ตลาดปากบางหากรอให้ท่านศึกมาก่อนก็เกรงจะเนิ่นนานเกินไปพระเจริญกลับถึงวัดเมื่อเวลาบ่ายคล้อยส่งน้ำแล้วจึงเดินไปวัดแจ้งพรมนครเพื่อขอเรียนกรรมฐานจากพระอุปชา ว่ายังไงล่ะเธอนะจะศึกเมื่อไรท่านจำได้ว่าพระหนุ่มประสงค์จะบวชพรรษาเดียวโยมยายบอกให้อยู่ต่ออีกเจ็ดวันแล้วค่อยศึกขอรับพระเจริญกระเรียนพระอุปชาเงินก็ตามใจจะศึกวันไหนก็ไปบอกหลวงพ่อช่อให้ท่านศึกให้ขอรับ เงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญก็พูดขึ้นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมอยากเรียนกรรมฐานขอพระเดชพระคุณกรุณาสอนให้กระผมด้วยเถิดขอรับเจ้าคุณพรมนักคราจาร์ออกตกใจในคำบอกกล่าวของคนเป็นสิทธิ์ที่ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีพระรูปใดมาพูดเรื่องนี้กับท่านจะว่าไปแล้ว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 โยมพ่อบอกว่าคนที่บวชไม่ครบไตรสิกขาสึกออกไปมักก่อกรรมทำชั่วถึงได้ประโยค8ปดประโยคเก้าก็ยังไม่เว้นเลวไหลนะคนมันจะชั่วหรือจะดีก็อยู่ที่สันดานมันหรอกอย่าว่าแต่พวกที่ศึกออกไปเลยไอ้ที่หฮมพาเหลืองอยู่แล้วยังทําชั่วก็มีถมเท ท่านเห็นมานักต่อนักแล้วพระเจริญเห็นว่าคืนพูดต่อไปคงทำให้พระอุบชาอารมณ์เสียจึงเอ่ยปากลาคิดว่าวันรุ่งขึ้นจะไปหาครูบาอาจารย์เอาใหม่เจ้าคุณพรมท่านอาจไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานก็ได้เพราะถ้าเป็นพระปฏิบัติคงไม่หงุดหงิดงุนง่านง่ายดายอย่างนี้